ความรู้เบตเตล็ดระดับการสอบไล่ของจีนโบราณซิลชายหรือซิลจ่ายคือนักศึกษาที่สอบไล่ได้ครั้งแรกในภูมิลาเนาของตนหมายถึงนักศึกษาที่คัดมาแล้วจีเยนหรือกือหยินคือซิลจ่ายที่สอบได้อีกครั้งหมายถึง ผู้ฉลาดที่สมควรสนับสนุนต่อไปจิ้นซื่อหรือจิ้นสือคือจีเยนที่สอบไล่ได้อีกครั้งเป็นบัณฑิตที่ควรส่งเสริมให้เข้าสอบรับราชการได้ท่านเหลียวฝานสอบได้จินซื่อแล้วก็สอบเข้ารับราชการเลยจึงไม่ได้เข้าสอบชิงตำแหน่งจองหวนอีกและเป็นเพราะความสันโดษของท่านด้วย เมื่อ น, นักศึกษาได้ผ่านบันได3 า, าขั้นเป็นบัณฑิตแล้วถ้าจะสอบต่อไปก็ต้องเดินทางเข้าเมืองหลวงเข้าสอบในพระราชวางังห้องเต้จะทรงคัดเลือกด้วยพระองค์เองช่วงเวียนหรือจองวนคือผู้ที่มีลักษณะเป็นเลิศตอบข้อสอบเป็นที่รู้ใจกรรมการที่สุดได้เป็นที่หนึ่งปั้งเอียน หรือปังหันคือผู้ที่พลาดไปนิดแม้เป็นรองก็มีสองตาที่ฉลาดได้เป็นที่สองฐานหวัวหรือถ้ำห่วยคือผู้เข้าใจเก็บดอกไม้ได้เป็นที่สามในสมัยราชวงศ์ถังผู้สอบจิ้นซื่อได้แล้วจะได้รับพระราชทานเลี้ยงเรียกว่า ง, งานเก็บดอกไม้ โดยคัดเลือกจิ้นซื่อที่มีอายุน้อยสองท่านไปเลือกเก็บดอกไม้งามและมีชื่อในอุทยานหลวงเพื่อมาเป็นหัวข้อในการแต่งโคงฉันกาบกรนของบัณฑิตในงานเลี้ยงต่อมาผู้ที่สอบไล่ได้ที่สามก็จะได้รับพระราชทานนามนี้จนถึงสมัยราชวงศ์เฉ่งชวนหลูหรือถวนหลู คือผู้ที่สอบได้ที่สไม่ได้เข้าเฝ้าหมายถึงผู้ที่รับทราบว่าสอบไล่ได้โดยพระบรมราช อ, องค์การที่ขุนนางประกาศต่อต่ อ, ตอกันออกมาจากท้องพระโรงหานหลินหรือหั่นหลินหมายถึงตำแหน่งข้าราชการบัณฑิตที่สอบไล่ได้ในขั้นนี้มากมาย ประดุดไม้ยืนต้นต่งงานในปา่าเปรียบประดุดกำลังของแผ่นดินสิบมงคลธรรมแห่งชีวิตของจีนโบราณเซี่ยวคือความกตัญญูกะตะเวทิตาตีคือความรักความเกรงใจในสายเลือดเดียวกันจงคือความจงรักภักดีต่อชาติศาสตร์กษัตริย์ ซื่อสัตย์ต่อผู้บังคับบัญชารักษาหน้าที่และความรับผิดชอบไว้ด้วยชีวิตสิน้นคือความมีสัจจะทั้งกายวาจาใจความมั่นใจที่จะทำแต่ความดีงามทั้งกับตนเองและต่อผู้อื่นการตรงต่อเวลาพูดอย่างไรทำอย่างนั้นทำอย่างไรพูดอย่างนั้นหลี คือความมีระเบียบวินัยอยู่ในกรอบประเพณีอันดีงามความมีคาระวะต่อผู้อื่นการวางตนสุภาพอ่อนโยนตามควรแก่ฐานะของแต่ละบุคคลอี e คือการยึดหลักคุณธรรมในการรับผิดชอบต่อตอนเองและต่อผู้อื่นเสียสละแม้แต่ชีวิตเพื่อประดุงความถูกต้องไว้ช่วยเหลือทุ่นหน้า ไม่นำพาต่อความมีจนหรือดีเลวของแต่ละบุคคลมีน้ำใจโดยไม่เลือกที่รักมักที่ชังเลียนความสันโดษกระทำแต่สิ่งที่ถูกต้องดีงามยอมรับสภาพความเป็นจริงไม่อยากได้ในสิ่งที่ไม่ควรได้ซึ่งจะนำไปสู่การทุจริตคำนึงถึงสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบชื่อคือความมีเิตุ โอตปปเยนคือความมีพรมวิหารสี่พร้อมที่จะช่วยเหลือไม่ว่าคนหรือสัตว์ไม่ว่ามิตรหรือศัตรูชื่อคือความมีปัญญาที่เห็นปัญญาความมีปัญญาที่จะใช้ปัญญาให้ถูกต้องไม่สันโดษในการแสวงหาคุณธรรมให้ยิ่งยิ่งขึ้นไป ด้วยมงคลทำชีวิตสิบข้อนี้ชาวจีนโบราณส่วนมากจึงเป็นผู้รู้กุลคนแสดงปฏิการะเมื่อมีโอกาสพ่อแม่จึงชอบมีลูกหลานมากๆเพราะได้ชื่นชมยินดีมีความสุขต่อความกระตัญยูกระตะเวทีของลูกหลานที่มีต่อพ่อแม่บรรพชนและความรักความเอื้ออาทรที่มีต่อสายเลือดเดียวกันทำให้ครอบครัวมีความสงบสุข อบอุ่นอยู่ในความรักความเมตตากรุณาความสามคัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันความเคารพเอาใจซึ่งแกและกันอีกทั้งผู้รู้เห็นก็ชื่นชมยินดีเป็นเยี่ยงอย่างอันรดงามสืบต่อกันมาผู้ที่มาจากครอบครัวที่ดีและภาวะแวดล้อมที่ดีเมื่อก้าวไปยังสังคมใดประเทศใด ย่อมมีความดีติดตัวเป็นนิสัยอันน่าคบหาสมาคมด้วยเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจดังจะเห็นได้ว่าชาวจีนในประเทศไทยสมัยต้นรัตนโกสินทร์การกู้ยืมเงินมากน้อยเพียงใดไม่ต้องทำสัญญาเซ็นชื่อตัวเดียวในบัญชียี่ต๊อกหรือสมุดส่วนตัวก็ใช้ได้เพราะสัจจะที่ได้รับการอบรมบ่มใจกันมาหลายๆชั่วคนนานกว่าพันปีทําให้มีฮิริโอตตะ ไม่กล้าทรยศหักหลังผู้มีอุปการะคุณยึดมั่นในความเที่ยงธรรมขยันมั่นเพียรไม่ท้อถอยหญิงไทยสมัยนั้นมีจำนวนไม่น้อยที่พอใจแต่งงานด้วยแม้จะมีแต่เสือ่อผืนหมอนใบก็ไม่รังเกียจอยู่กินกันแล้วไม่นานก็ช่วยกันพายช่วยกันถอกลายเป็นเจ้าสัวมีเงินถุงเงินถังขึ้นมาได้ในเวลาไม่นานเลย ทำให้เกิดลูกหลานเน้นหลนมากมายดังที่เห็นกันทุกวันนี้น่าเสียดายวัฒนธรรมตะวันตกที่หลั่งไหลเข้ามามีทั้งดีและชั่วส่วนไม่ดีนั้นเสมือนหญ้าคมที่ลุกไร่หญ้าที่ละเอียดอ่อนให้สูญสิ้นไปฉะนั้นจึงมีแต่คำถามกันว่าทำไมคนยุคก่อนจึงมีคุณธรรมกว่าคนยุคนี้ โดยเฉพาะบ้านเมืองในยุคต้นรัตนโกสินทร์กับปัจจุบันชนะไหนจึงต่างกันนักในเมื่อชาวไทยหรือชาวจีนต่างก็มีพระพุทธศาสนาเป็นเรือนใจด้วยกันทั้งนั้นปัญหานี้ไม่ได้ผิดที่คนใดคนหนึ่งแต่ผิดที่ระบบของสังคมถูกผันแปรด้วยแรงผลักดันอันเป็นกระแสของโลกตามกฎแห่งไตรักษ์และกฎแห่งกรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สงสอนให้มองโลกตามความเป็นจริงจึงไม่ควรเพ่งโทษกันและกันเป็นการขาดเมตตาธรรมเราควรช่วยกันแก้ไขที่ระบบให้การอบอรมจากพ่อแม่รัะครูอาจารย์ประสานต่อเนื่องกันอย่างรอบครอบและไม่หยุดยั้งเพียงแค่ศีลห้าเท่านั้นถ้าประพฤติเป็นปกติวิสัยกันแล้ว ภาวะแวดล้อมและชีวิตจิตใจของชาวไทยยุครัตนกโกสินทร์200ปีก็จะถึงซึ่งความพอใจด้วยกันทุกฝ่ายขอสัพพชีวิตจงมีส่วนในผลดีอันพึงได้ในธรรมปรีนี้เถินจากใจผู้ถอดความเชื้อจันอัจฉพภัณฑ์